เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หวันที่สองถึงหสัมมาทิฏฐิจากประสบการณ์ในวันแรกของเดือนทำให้ฉันหมั่นสำรวจตนเองบ่อยขึ้นว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเห็นตรงอยู่ในระดับใดในระดับความคิดนั้นฉันให้คะแนนตัวเองเต็มร้อยไม่มีความลังเลสงสัยใดใดอีกฉันเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ อุปทานขันห้าเป็นทุกข์และถ้าให้ท่องอริยาาสัจสี่ปากเปล่าก็ทําได้สบายมากผู้ใดรู้จักอริยสัจสี่ด้วยการพิจารณาเห็นตามจริงผ่านอาการคิดและอาการจดจํากระทั่งเกิดศรัทธาในอริยาาสัจสี่เต็มที่ผู้นั้นจัดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วตามนิยามของพระพุทธองค์แต่ในระดับของจิตที่เห็นอริยาาสัจสี่นั้น เป็นเรื่องยากกว่ากันทันทีที่หน้ามืดตามัวยินยอมให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีทันทีนั้นแสดงถึงความไม่รู้จักทุกข์แล้วได้ชื่อว่าก่อเหตุแห่งทุกข์แล้วช่วงนี้ฉันจึงตามดูความอยากอย่างเดียวไม่ใช่พยายามระงับความอยากไม่ใช่ภาวนาว่าขอความอยากจงอยากเกิดแต่เห็นตามจริงว่าเกิดความอยากขึ้น เมื่อเกิดผัสสะทางคู่อายตนะใดแล้วดูว่าความอยากนั้นนั้นขับดันให้ฉันกระทำการอะไรได้บ้างรวมทั้งก่อทุกข์ก่อความอึดอัดกระสับกระสายให้กายใจของฉันได้มากน้อยเพียงใดฉันดูดูดูจนกระทั่งมั่นใจว่าเห็นความจริงประการหนึ่งนั่นคือเมื่อสติมีกำลังเท่าทันความอยากความอยากจะปรากฏเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ และทำอะไรกับจิตใจฉันไม่ได้ความอยากนั้นเหมือนไฟเมื่อปล่อยให้ลุกลงไปโดยไม่เติมฟืนให้กับมันเดี๋ยวมันก็มอดไปเองและแม้จะยังระงับอาการทยานอยากไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเหมือนพระอระหันต์แต่ฉันก็ประจักษ์แล้วว่าใจที่ไม่แล่นไปตามความอยากเป็นสุกยิ่งหนทางดำเนินเพื่อความดับทุกข์ คือการเอาสติเข้ามาตั้งรู้ตั้งดูอยู่ในขอบเขตกายใจนี้เองสติปฐานสี่หรือการตั้งสติไว้ที่ฐานอย่างถูกต้องจึงเป็นทางดำเนินอันไม่ล้าสมัยจะผ่านมากี่พันปีหรือจะผ่านไปอีกกี่พันปีขอเพียงเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปฐานสี่และมีใจอุทิศตัวยอมไม่สายสำหรับการทางทางสู่ความหลุดพ้น ฉันตรหนักแล้วว่าการเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงต้องเป็นการที่ระดับของจิตเห็นให้ได้เป็นขณะขณะเท่านั้นว่าดำเนินจิตอย่างไรจึงเป็นทุกข์ดำเนินจิตอย่างไรจึงพ้นทุกข์แรกเริ่มเดิมทีเมื่อศึกษาพุทธศาสนาทุกคนคงรู้สึกตรงกันคือดูแลเหมือนมีอะไรต้องเรียนรู้ต้องจดจำกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ขอแค่ทาความเข้าใจและลงมือเริ่มเดินก้าวแรก เพียงแค่รู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าเท่านั้นแหละก้าวต่อต่อไปจะตามมาเองเราจะรู้ว่ากิจที่ต้องทำเพื่อความพ้นทุกนั้นไม่ยากนักแต่ก็ไม่ใช่ทำอะไรง่ายๆอย่างเดียวแล้วได้กันเหมือนการริ่มเรียนทางโลกใครจะเป็นด็อกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ได้จากการท่องสูตรคูณโดยไม่ต้องศึกษาและลงมือวิเคราะห์วิจัยอะไรต่อให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นได้เล่า แต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นกับเรามากมายทั้งเรื่องภายในและภายนอกไม่หยุดหย่อนเราจะทำอะไรอย่างเดียวเช่นแค่สักแต่กำหนดสติรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะกิเลสเรียงคิวรอกระนำซ้ำทีเผลออยู่ไม่ขาดเช่นกันและนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เร่งให้ฉันสำรวจตนเองต่อไปว่ายังขาดองค์มรรคข้อใดหรือองค์มรรคข้อใดมีแล้วแต่ยังไม่บริบูรณ